พระธรรมเทศนาแผ่นที่74ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งอันดับแรกกับพวกเราได้ร่วมกันทําบุญอุทิศสวนกุศลต่อหลวงพ่อของท่านรัตนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปแล้วนั้นนะแล้วก็พร้อมกันกลุ่มกับท่านเป็นคนจังหวัดการนะคณะสัทยาติโยมหลวงพ่อแล้วก็ลูกหลานของท่านเนี่ย กระจายทางมารังอยู่ทางกรุงเทพปังพิษโลกบางาที่ไหนๆพอลูกของท่านหลายคนแต่คุณแม่ของท่านของแม่แต่รัตนาเขามามานี่ย เ, เมื่อวานเนี่ยท่านยังนั่งมาซ่อมผักอะไรอะไรอยู่เอยังทําการทางานค้นขยันนี่มาช่วยร่วมกันสร้างปุญร้างกุศลในคราวนี้แล้วก็งานของเราก็สำเร็จรูปวงวก็ทางบ้านเมืองก็มีท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประหลัดจังหวัดท่านนายอำเภอท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ท่านสํานักพุทธจังหวัดแล้วก็มีท่านเจ้ากรมบุญเสบกรมเจ้ากรมทหารอากาศกรมการช่างมาทอดผ้า ป, ป่าเพื่อหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราคณะตัด ท, ทายญาติโยมทั้งหลายได้ได้ไดทราบนะนี่แหละท่านผูก้การบุญสืบนี่แหละที่เป็นหัวหน้าที่หาทุนกับลูกน้องของท่านบริวารของท่านได้ซื้อรถแอมบร์เรน์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรและ ก, ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้ช่วยเครื่องมือแพทย์ยลหลายครั้งเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเองที่หลวงพ่อบริจาค เครื่องมือแพทย์ก็ดีโรงเรียนก็ดีเอ่อหรือช่วยสาธารณะอย่างอื่นก็ดีไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไปรับจ้างมานะเอ่อไปทํามาค้าขายมาไม่ใช่เป็นเงินของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมนี่แหละให้ต่างกลัม่มต่างวาระแต่ให้มาคราวนีขว่วคราวนี้ไม่พอหัน แ, แสนสองแสนบาทหลวงพ่อกเก็บรวบรวมไว้ต่อมาเองทำได้มาอีกพอจะเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นเครื่องมือแพทย์หรือจะเป็น ทางโรงพยาบาลหรือจะช่วยออทางพระพุทธศาสนาศาลากา ร, ปรเปลียน อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็นเนี่ยนะเรื่องวัดรวมธรรมของเราเนี่ยหลวงพ่อก็บอกกับท่านรัตนะ์กับคณะกรรมาการกับคณะในช่างทางรถไฟหลวงพ่อก็บอกว่าออวัดรวมธรรมของเราเนี่ย เ, ออเรื่องกุฏิก็พอเป็นพอไปแต่ยังไม่พอเป็นพอไปหรอกแต่ว่า อยู่ ก, กระต๊บกระแทบไปก่อนก็ก็ได้แต่หลวงพ่ออยากจะให้เน้นเรื่องกำแพงที่ติดถนนนี่แหละให้เน้นน้นหนามั่นคงจากนั้นก็ควรจะสร้างศาลาถึงทำศาลากับกำแพงนี่น่าจะขึ้นพร้อมๆกันอันนี้ก็คือหลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวแนะนำนี่แหละคือทางวัดวาศาสนาหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งแต่ไม่ใช่แต่วัดรวมทําแห่งเดียวนะนูน่นวัดทาง น้องบอัวลำโพงเอกวัดทางอำเภอนายงอีกสองแห่งรวมแล้วก็ที่หลวงพ่อแจกแบ่งไปตามวัดวาศาสานาก็มีหลายวัดเหมือนกันนี่แหละจะตุปใจที่หลวงพ่อได้มาก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาไว้เพื่อใครก็ไว้เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและก็พี่น้องประชาชนเมื่อ มีเมื่อ ม, มีเรื่องจำเป็นอย่างเครื่องมือแพทย์หรือการศึกษาเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็ได้ช่วยคนในท้องถิ่นสิ่งไหนที่มีความจำเป็นเขาขอมาก็เป็นเรื่องๆไปหลวงพ่อก็ไม่ได้เคยทอดทิ้งสาธารณประโยชน์สาธารณชนนี่ก็คือการดูแลชาติาศาสนาหลวงพ่อ พูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดชาติก็คือพวกเราท่านทั้งหลายศาสนาก็คือความเป็นอยู่ เ, เพื่อสนองอพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระคุณสําหรับพวกเราเที่เป็นเจ้าของประเทศชาติบ้านเมืองมาแต่แต่ดึกตําบรรพปกครองประเทศชาติท่านพวกเราทําดีพวกเราคิดดีทดําดีพูดดีก็เป็นเครื่องอสนองชาติศาสนาะพระมหากษัตริย์ วันนั้นพวกเราทุกๆท่านนะคณะจัตยานญาติโยมทุกๆคนที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในคราวนี้ครั้งนี้นะหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปีติยินดีกับจัทยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลท่านนั่นและจะเป็นเครื่องเกื้อกุลหนุนพวกเราบุญกุศลเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคณะจัทายาญาติโยมลูกหลาน บุญกุศลนี่มองไม่เห็นแต่มันเป็นพลังนะหลวงพ่อเนเชื่อเหลือเกินเชื่อในบุญในกุศลมันเป็นพลังในเมื่อเราตกทุกข์หรือว่าเรามีความทุกข์ในใจหรือว่าสิ่งไหนก็ตามที่เราเออ บ, อบอกหมดความรู้สึกปลดอะไรตายอยากทันะ้งพูดอย่างนั้นแนหะอะแต่ทีนี้เราเบุญกุศลของข้าพเจ้ามีอยู่ขอยมาช่วยข้าพเจ้าโดยเทินข่าวนี่ยข้าพเจ้าเข้าตาจนตาแจาแล้ว เอออย่างนี้สิ่งไม่คาดไม่คิดไม่ฝันนะมันมาโดยที่ว่าเออเป็นที่เออมองไม่เห็นเลยแหละเออเป็นที่สบายอกสบายใจขึ้นมามากต่อมากเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าปุณนี่มันเป็นพลังเออเป็นพลังลึกๆทางด้านจิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเออ ถ้าหากว่าพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลน่แลจะเป็นที่พึ่งของพวกเราอย่างพระบาลีของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าปุญญานิปัลโล ก, กัดสมิงปฏิทาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าคนที่มีบุญในโลกนี้ก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีแต่ความสุขความ จเจริญรุ่งเรืองเพราะบุญกุศลเกื้อกูลห น, นุนเพราะนั้นบุญกุศลช่วยพวกเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าบุญเมื่อเราทำดีแล้วนะ เ, เมื่อเราทำดีในโลกนี้ใครๆเห็นเราเขาก็ยินดีพอใจ เ, อเราก็มีความสุขเมื่อออกจากโลกนี้แล้วนะโลกท้งหน้าเขาก็ยอมรับเหมือนกันเขายอมเ ข, เขารับคนดเเีเหมือนกับเราเนะี่ย อยู่ในประเทศไทยก็เป็นคนดีใชเป็นที่ยอมรับของคนทั่วหน้าเมื่อไปต่างประเทศต่างประเทศเขาก็ยอมรับเขาก็ตอ้ตอนรับคนดีเพราะเหตุไรเพราะคนดีในเมืองไทยก็ไปเมืองหน้าไปเมืองออกไปต่างประเทศเขาก็ยอมรับนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรายังเป็นมนุษย์อยู่เป็นคนดีออกจากมนุษย์ไปแล้วไปสู่สวรรค์ชาวสวรรค์เขาก็ยินดีต้อนรับเพราะเป็นคนดี ถ้าเป็นคนเร็วแล้วก็เป็นคนชั่วแล้วก็ใครๆก็ไม่ต้องการใครๆไม่ต้องไม่รับทางนั้นแหละเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทา ย, ยาติโยมลูกหลานทุกคนนะสร้างบุญสร้างกุศลตายแล้วไม่ศูญพูดอย่างนั้นได้นะออแต่ลูกพ่อย้ําแล้วย้ําอีกว่าตายแล้วไม่สูญนะคณะสัต ย, ยาติโยมลูกหลานนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเรานี่ท่านไปแบกกดเข้าป่าออไปอยู่ป่าช้าป่า เหี่ยวที่ไหนอยู่ถ้ำอยู่ที่ไหนท่านเป็นนั่งภาวนาดูตัวของท่านดูกายดูใจของท่านถนว่าร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี่ทุกคนน่มีกายกับใจอาศัยกันอยู่มันมีสองนะไม่ใช่อันเดียวไม่ใช่แต่กายหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้กับคณะสัตา ย, ยาฎยมให้เห็นได้ชัดนะหลวงพ่อบอกว่าร่างกายของเราเนี่นะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับรถนะพี่น้องลูกหลานนะ แต่ใจน่นคือคนขับรถเหมือนกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันกายกับใจร่างกายเหมือนกับรถแต่ส่วนจิตใจนามธรรมเหมือนกับคนขับรถแต่ละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านให้ความสาคัญโฟเฟอร์คนขับรถมากกว่ารถท่านจึงให้คำพระบาลีว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจคือร่างกายของเรานี่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าแต่หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบว่ารถของเรารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าหากว่าโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วขับรถคันนี้รถคันนี้ก็มีมารยาทไปที่ไหนก็สุภาพเรียบร้อยแต่ถ้าหากว่า รถคนนี้เป็นโซเฟอร์คนนี้เป็นคนขี้เมานิสัยไม่ดีเป็นคน ข, ขี้โกรธโมโหก่อท่าพอขึ้นขับรถขึ้นไปก็เห็นคนกับบีบแกด่าดะาไปบีบแกก็คือด่าคนใช่ไหมจากนั้นก็เหยียบชนด่าไปเลยเห็นหมูหมาก้าไก่เฉียดเฉียวไปเลยเพ้อเพอย่างโมโหหักพวงมาลัยลงข้างถนนอีกต่างหากฆ่าตัวตาย นี่แหละอันนี้แปลว่าโซเฟอร์ไม่ได้รับการศึกษาโซเฟอร์ไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นขอให้ในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าให้อบรมให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลให้จิตใจได้รับการอบรมมีศีลมีธรรมถ้าจิตใจของเรามีศีลมีธรรมแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ต่าจทา ย, ยาทโยมทั้งหลาย ได้มาจากกรุงเทพจากจาตุระเทศได้มาร่วมกันก็มาเพื่อเนี่ยแหละกอมเกลวีวจิตใจของเราให้เข้าสู่ศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเมื่อใจของเราเป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วก็เหมือนกับโซเฟอร์ได้รับการอบรมที่ดีนะเมื่ออบรมที่ดีแล้วโซเฟอร์รู้จัก สูงรู้จักต่ารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์โซเฟอร์มีจริยธรรมที่ดีนะก็รถคันนั้นก็ไปได้ดอีอยู่ด้วยกันมากหลายๆคันก็ไม่เฉียวไม่ชนกันเพราะอารมณ์เพราะโซเฟอรอ์ขับด้ว ย, วยความระมัดระวัง นี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าหากว่าพวกเราทุกทุกท่านเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมด้วยการดีด้วยการทุกคนแล้วอยู่ด้วยกันมากขนาดไหนก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะต่างคนต่างมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ว่าเนี่ยนะอยู่ด้วยกันกันมีจี๊แต่ขีมม้ขโมยโผจนมีตนักเลงหัวไม้มีแต่ขี้โมโหโกธาต่อกัน และเป็นยังไงโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนะและแต่หลวงพ่อได้ย้ำว่าตายแล้วไม่ศูนย์คำนี่และอยากจะให้พี่น้องประชาชนจัตยาญาติโยมทั้งหลายประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ทำนะออพอตายออกจากชาตินี้แล้วนะไปสู่สุคติถ้าคนคนทำดีนะถ้าวักคนทำชั่วนะออพอตายจากชาตินี้แล้ว ว่าก็ไปสู่ทุกขติคือไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เทติฉานไปได้ทางนั้นนะคะ่นะนักทาญาติโยมลูกหลานนะในหลักธรรมคาสอนที่พวกเราได้ศึกษานะได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะท่านบอกบง่งบอกถึงได้ชัดเจนคนเราจะเกิดเกิดไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปได้ทางนั้นไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ไปเกิดเป็น เทวดาเทวบุตรอินพรมก็ได้เข้าสู่นิพพานก็ได้นี่แหละใจตรงนั้นะคือนามธรรมตัวนั้นะมันไม่สูญถ้าพวกเราอยากจะรู้จะอยากจะพิสูจน์พระพุทธเจ้าท่านบอกจะพิสูจน์เรื่องเรื่องตัวเองนะเราจะถาคตเนี่ยไปพิสูจน์ที่โคนต้นโ พ, โพนที่โคนต้นโพนี่เราไปบวชตั้งหปีไปลองผิดลองถูกวันเดือน6เพ็นน่ะ เราได้ไปพิสูจน์ที่โคลนต้นโพนั่งสมาธนะิพอพระไทยใจของเราสงบเป็นหนึ่งคล้ายๆกับว่าท่านไปอยู่ในรถคนอยู่โซฟา อ, อยู่รถจุดนิ่งพออยู่นิ่งก็มองตัวเองก็เห็นเห็นเห็นพระองคออ์ใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเรียกว่าปุเพนีิวาสานุสติญาณพอจิตใจสงบลงเท่านั้นแหละระลึกชาติทนหลังได้โอ้ใช่เรามาจากไหน เอ่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อก็มาจากโน่นมาจากวัดปานาคําน้อยตั้งแต่เมื่อวานมาก็มาพักที่นี่อย่างนี้แหละเ อ, อ่ใครคมาว่าเป็นอดีตมองย้อนหลังอันนี้ก็เหมือนกัรพระพุทธเจ้ามองมองย้อนหลังในอดีตมาจากไหนมาเกิดที่นี่เ อ, อ่ต่อไปกันนะมองอนาคตเจว่าจุตูปปาตยานเ อ, อ่มองสัตว์อนาคตของของตัวเองนะเ อ, อ่อย่างหลวงพ่อออกจากนี่เราเราออกจาก วัดรวมธรรมแล้ววันนี้จะไปไหนหลวงพ่อก็มองไปข้างหน้าแล้วก็มองไปข้างหลังแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วก็มองมาอยู่มาอยู่ยุดจุดจุดนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่นี่อยู่ยังไงนี่แหละพราะพระองค์ท่านมองมองดูจุดปัจจุบันเนี่ยท่านก็มองดูอย่างหลวงพ่อมองพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายมาจากไหนมาจากไหนมาเกิดพระพุทธเจ้ามองลึกลงกดไปัึงกว่านั้นอีก มองจากไหนจากไหนมาเกิดออมาทําไมคนมาเกิดแล้วทาไมไม่เหมือนกันอีก เ, ออเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันอีกฐานะวิทยาฐานะานะานะการเงินจิปัญญาทุกอย่างทุกอย่างมันแปลกแตกต่างกันไปหมดทําไมไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็มองมองมอ ง, มองดูย้อนหลงังท่านบอกว่ากรรม กรรมคือการกระทําการคิดไม่เหมือนกันการกระทําไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันเพราะการกระทําการคิดกติกาการกระทำกติกาการพูดไม่เหมือนกันกรรมมันจําแนกนะท่านนี่เมื่อคิดเมื่อคิดดีผลมันออกมาก็ดีแต่เมื่อทําดีผลออกมามันก็ดีถ้าพูดไม่ดีผลออกมาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธองค์จึงมองดูแล้ว่ เป็นพากกรรมคือการกระทำของสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายกรรมเป็นผู้จำแนกให้เกิดมาแตกแตกต่างกันเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงเมื่อท่านได้ให้โอวาทปฏิโมกท่านได้ว่า อ, อัอากตังลุกตังเสยโยปัชชาตปติทุกตังความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่า เ, เมื่อเราคิดชั่วทาชั่วพูดชั่วแล้ว กรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านสอนเอาไว้นะเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆท่านนะสิ่งไหนที่มันชั่วอย่าไปคิดอย่าไปทําอย่าไปพูดในเรื่องนั้นถ้าทําไปแล้ว เ, เมื่อเราทําลงไปแล้วนะกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนอย่างพวกเราคิดนะอคิดโมโหขืดมาแล้วไปฆ่าเขาในเมื่อไปฆ่าเขาเสร็จแล้วเกีว่าจะฉะใจไม่ใช่นะ พอฆ่าเขาเสร็จแล้วตายเต็มตำรวจจะจับเราเต็มพอได้สู้กัวิ่งหัวซุกวิ่งหนีตำรวจพอตํารวจจับได้เอาไปขังไว้ในโคกอีกโตตายเราไม่น่าจะทําเลยอารมณ์ชั่ววูบไปฆ่าเขาเข้าเราติดคุก ก, กี่ปีนี่วะนะนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อเราทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเนฮะ้เดือดร้อนยาวนานทีเดียวเตนี่ไปฆ่าเขาเพียงแป๊บเดียวนะเขาตาย แต่ตัวเองติดคุกเนะ่กี่ปี ท, ท่านนีอ้อยู่ในคุกนะ่ยมันทรมานเท่าไหร่ท่านทุก อ, อกทุกใจหมดอิสรภาพในการเป็นอยู่ทุกอย่างเพราะนั้นกรรมชั่วความชั่วนะเนี่ยไม่ควรจะลิคิดริรำลิพูดในหลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อจึงว่าให้คิดดีเน้อลูกหลานเน้อคิดดีทดําดีพูดดีในเมื่อเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทั้งปัจจุบัน และอนาคตนะ เ, เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโมทนิยกถาก็เห็นว่าสมควรเกี่ยกกานเวลาด้วยอำนาจขุนพระศีรัตนต์ไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลที่พวกเราคณะศัทธาญาติโยมทุกท่านมีท่านผู้การ เ, เป็นประธาน ในการทอดผ้าป่าเพื่อหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งกดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเทอญ